สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านนะคะวันนี้บีเองก็มีเรื่องมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันทางช anel พระเจอผีด้วยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของเครื่องบินตกอันดับต้นๆเลยหลายๆท่านนะคะที่มีอายุ30ปีขึ้นไปอาจจะนึกถึงเรื่องของลาวด้าแอ r ค่ะซึ่งเป็น เครื่องบินในตำนานนะคะเป็นเหตุการณ์เครื่องบินตกครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้โดยวันนี้นะคะบีได้มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจอ่ะสุดสยองจากพันทิปโดยผู้ที่ใช้นะคะอ่าชื่อว่า user 3 1 3 5 1 8 0เป็นผู้ที่เล่าเรื่องนี้ แล้วก็มีผู้คนให้ความสนใจแชร์ต่อกันไปหลายหมื่นครั้งทาง Facebook เกี่ยวกับเรื่องการเจอผีในพื้นที่อุทยานแห่งชาติพุเตยหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อสุสารลาวด้าแอร์ค่ะโดยใช้ชื่อในเว็บพันทิปนะคะว่าเจอเรื่องชวนขนลุกจากจุดสายการบินลาวด้าแอร์ตกเมื่อ20กว่าปีที่แล้วส่วนเรื่องเราจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวบีเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก่อนดีกว่าเลยก็แล้วกัน เรื่องการเจอผีเราได้แอเนี่ยคือเจ้าของเรื่องบอกว่ามันเกิดจากการไปเที่ยวกับกลุ่มออฟโรดค่ะของกลุ่มเพื่อ น, นของคุณพ่อเขาก็เลยเลือกเส้นทางลุยป่าทดลองรถกันที่อุทยานแห่งชาติผู้เตยโดยกลุ่มพวกที่เป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยนะคะขับรถลุยกับเข้าไปจนถึงช่วงบ่ายเส้นทางเดินรถ เป็นเส้นทางเดียวแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆแล้วเส้นทางก็ต้องผ่านจุดที่สายการบินลาวดาแอร์ตกเมื่อ20กว่าปีที่แล้วที่ทางอุทยานแห่งชาติเนี่ยได้ตั้งสารพระภูมิแล้วก็ป้ายบอกไว้ว่าที่นี่คือจุดตกตายทั้งหมด223ศพ บ, บริเวณ น, นั้นมีซากเครื่องบินกระจัดกระจายเกลื่อนรอบบริเวณพร้อมกับเครื่องเส้นชุดใหญ่น้าอาหารกว่า200ชุดวางเรียงรายเต็มถนนไปหมดเลยนะคะ พวกเพื่อนๆของพ่อเนี่ยก็เลยแวะลงมาไหว้แล้วก็เดินทางต่อไปแล้วก็ลุยกันต่อจนถึงช่วงเย็นกันเลยประมาณสัก4ี่โมงเย็นก็ต้องผ่านจุดนั้นอีกครั้งหนึ่งเจ้าของเรื่องบอกมีความรู้สึกอึดอัดบอกไม่ถูกในช่วงขาลงรู้สึกหายใจไม่สะดวกแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าอาจจะเพลียจากการลุยอ่าแล้วก็ออฟโรดตลอดทางนะคะก็เลยกลับมาถึงที่พัก ที่นี้พอถึงที่พักก็คือเป็นสถานีบำรุงพันธ์สัตว์ไม่ห่างจากตัวอุทยานแห่งชาติมากก็จอดรถกันหน้าอาคารซึ่งเป็นสนามหญ้าบางคนก็กางเต็นท์นอนตรงนั้นเลยก็มีนะทุกคนก็อาบน้ำทานข้าวกันปกติจนถึงสี่ทุ่มค่ะก็แยกย้ายกันเข้านอนเจ้าของเรื่องกับพ่อก็นอนห้องพักชั้นสองในห้องนี้ไม่มีแอร์ค่ะก็เลยต้องเปิดหน้าต่างหัวนอน มองจากหน้าต่างออกไปก็จะเป็นลานจอดรถแล้วก็มีต้นไม้สองต้นตรงกันกับหน้าต่างพอดีเลยเจ้าของเรื่องอาบน้ำปกตินะคะจนถึงประมาณสักตีหนึ่งคุณพ่อเนี่ยหลับไปแล้วแต่ว่าในขณะที่กำลังเคลิ้มเนี่ยใกล้จะหลับอยู่แล้วก็มีเสียงคนนะคะเดินอยู่ตรงบริเวณใต้ต้นไม้ที่บอกไปบอกว่ามีต้นไม้2ต้นอยู่ตรงหัวนอนพอดีเสียงเดินแบบ 4,59 แล้วก็เงียบไปแล้วก็เริ่มใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะใกล้ออกไปบ้างใกล้เข้ามาบ้างในใจก็พยายามไม่คิดอะไรแล้วก็ขมตาหลับแต่ว่าเสียงนั้นนี่ยังคงดังอยู่เหมือนเดิมค่ะวนอยู่แบบนั้นแหละไม่กล้าลุกไปดูเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกแย่มากจนประมาณตีสองเสียงทุกอย่างก็เงียบไปสักพักนึงเจ้าของเรื่องก็ใกล้จะเคลิ้มหลับอีกแล้วนะคะแต่ว่าคราวนี้คุณผู้ฟังไม่ได้มาแค่เสียง มาพร้อมกับกลิ่นข่าวเลือดด้วยเจ้าของเรื่องพยายามดมมือตัวเองค่ะดมผ้าห่มดมหมอนดมหาทุกอย่างว่ามันเป็นกลิ่นที่มันมาจากไหนแต่ว่าทุกอย่างที่ดมเนี่ยคือกลิ่นมันปกติแต่พอนอนก็จะได้กลิ่นข่าวเลือดก็พยายามนอนต่อขมตาให้หลับแต่ไม่หลับนะคะเพราะว่าเสียงเดินแล้วก็กลิ่นข่าวเลือดเนี่ยมันยังคงอยู่แล้วจุดพีคที่สุดก็มาถึงค่ะเมื่อได้ยินเสียงดังแก้กนะคะที่หน้าต่างดังชัดเจนมาก ด้วยความตกใจก็เลยหันไปดูตามเสียงเขาบอกว่าผมต้องตกใจสุดขีดจนขนลุกทั้งตัวภาพที่เห็นคือเงาผู้ชายรูปร่างใหญ่สีดำที่หน้าต่างแบบใกล้ชิดมากห่างกันแค่เอึ่มตกใจสุดขีดเลยตอนนั้นต้องตะโกนเรียกพ่อจนสุดเสียงแล้วเงาดำนั้นก็หายไปคุณพ่อก็ลุกขึ้นมาถามว่าเกิดอะไรขึ้น ผมพูดไม่ออกเลยมือชาเหงื่อแตกทั้งตัวพ่อผมถามย้ำว่าเห็นอะไรเห็นอะไรตัวของผมเองเนี่ยก็ไม่กล้าบอกว่าเห็นอะไรแล้วก็ยังไม่ได้พูดเพราะว่าตอนนั้นนีสติผมหลุดอยู่พ่อผมใช้เวลาเรียกสติผมกลับมาทั้งหมดก็เกือบห้นาทีกว่าผมจะรู้สึกตัว อ, อีกครั้งพ่อผมก็พาเก็บข้าวของแล้วก็ย้ายลงไปนอนในรถแทนเพราะว่าที่สนามลานจอดด้านหน้าเนี่ยมันมีไฟสว่างแล้วก็มีพี่ๆที่กางเต็นท์อยู่ตรงนั้น 2-3 สคนผมยังคงขวัญเสียนั่งอยู่ในรถยันเช้าเกิดมา23ปีไม่เคยพบเจออะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตนี่เป็นครั้งแรกที่เจอเรื่องแบบนี้เต็มๆก็เลยเอามาแชร์กันเหตุการณ์เราได้แอร์ตกนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวันจันทร์ที่ย6กฤษภาคม 2534เวลาประมาณ5้ทุ่มสินาทีตามเวลาท้องถิ่นเที่ยวบินที่ NG 004ซึ่งบินมาจากท่าอากาศยานไคตักที่ฮ่องกงค่ะด้วยเครื่องบินโบ e ิ n ง B 7 6 7 3 z 9 ER ทะเบียน OE LAV นะคะชื่อเครื่องบินโฟกัง g a มาเดอ s ุสโ a ซา ได้ออกจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองค่ะมุ่งสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนามีผู้โดยสารทั้งหมด213คนแล้วก็ลูกเรือ10คนอยู่ภายใต้การควบคุมของกัปตันชาวอเมริกันที่ชื่อว่าโทมัสนะคะแล้วก็ผู้ช่วยชาวออสเตรเลียที่ชื่อว่าโจเซฟค่ะ เวลา5ทุ่ม22นาทีนะคะก็ได้รับสัญญาณเตือนนะคะเป็นความผิดพลาดทางระบบที่อาจจะทำให้ระบบเนี่ยผันกลับแรงขับที่เครื่องยนต์หมายเลขหนึ่งขณะกำลังบินอยู่นะคะก็หลังได้ศึกษาคู่มือแล้วทั้งสองก็ลงความเห็นว่าสัญญาณเตือนนั้นเป็นเพียงเหตุการณ์ปกติไม่ได้จัดการใดๆกับสัญญาณเตือน จนเวลาหทุ่ม31ดค่ะระบบผลักดันแรงขับที่เครื่องยนต์ใหม่เลขหนึ่งทำงานระหว่างที่เครื่องบินบินอยู่เหนือพื้นที่ป่าแล้วก็ภูเขาบริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็สุพรรณบุรี เครื่องบิน767สูญเสียแรงยกฉีกออกเป็นส่วนๆนะคะกลางอากาศที่ระดับความสูง 1,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเมื่อ23นกา20นาทีค่ะซากเครื่องบินถูกพบที่ระดับความสูง600เมตรเหนือระดับน้ำทะเลในบริเวณซึ่งปัจจุบันเป็นอุทยานแห่งชาติผุเตยจังหวัดสุพรรณบุรีไม่มีผู้โดยสารและลูกเรือคนใดรอดชีวิตในจานวนนี้เป็นคนไทยทั้งหมด39คนชาวต่างชาติ184คน อุบัติเหตุครั้งนี้นะคะเรียกว่าเป็นหายนะทางการเดินทางอากาศที่รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจวบจนปัจจุบัน โดยทีมกู้ภัยค่ะได้พบร่างของกัปตันซึ่งยังคงติดอยู่กับที่นั่งของนักบินหลังอุบัติเหตุแล้วก็ได้มีผู้ที่มาขโมยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อัญเมณีความสามารถในการขนส่งของ ส, งองสายการบินหายไปถึง1ใน4จากผลของการตกนะคะหลังเหตุการณ์นิกิลาวดา้าเจ้าของสายการบินก็ได้เดินทางมาอำนวยความสะดวกแล้วก็มาค้นหาร่างของผู้เสียชีวิตด้วยตนเองค่ะและนี่ก็เป็นประสบการณ์หลอนที่บีนามาจากเว็บไซต์พันทิปเว็บไซต์ชื่อดังของไทย ที่ไปประสบพบเจอกับเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าน่ากลัวแล้วก็ตื่นเต้นนะคะใครที่อยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมีจิตหลุดสติหลุดกันบ้างแหละนะคะคุณผู้ฟังคะตามฤดูกาลในหน้าฝนของคนชนบทแบบภาคอีสาน อีสานบ้านเฮานี่แหละฤดูร้อนเนี่ยผ่านไปแบบรวดเร็วพอพน้นฤดูร้อนแล้วฤดูฝนก็ย่างเข้ามานำพามาซึ่งเสียงฟ้าร้องลมพัดแรงเป็นระยะสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองค่ะถึงแม้ว่าจะรู้ว่าสำคัญไหมมันเป็นประสบการณ์อีกตอนหนึ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวกับเวลากลางดึก แต่ยังไม่ถึงเที่ยงคืนในขณะที่ความเพลิดเพลินกับการออกหาจับกบจับอึ่งกับพี่เขยเนี่ยที่ทุ่งนาการจับกบจับอึ่งตามฤดูฝนที่ตกใหม่ๆในถ้ำเออยหรือว่าจะเป็นกลางทุ่งนาเสียงฟ้าร้องบวกกับฟ้าแลบตลอดเวลาอากาศก็เริ่มเย็นลงตลอดไป สิ่งที่มองเห็นอาจจะเป็นสิ่งที่เราจินตนาการไปเองหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เพราะว่าสายตามองไปมันเป็นเวลาที่ฟ้าแลบนะคะมันก็จะมีเงาลักษณะคล้ายกับคนยืนมองดูเราตลอดเวลาระยะห่างก็ประมาณ10เมตรค่ะซึ่งมองทีไรขนลุกทุกทีก็ได้แต่บอกกับตัวเองไว้ว่านิ่งๆนะ เข้าเรื่องเลยก็แล้วกันเรื่องนี้มีอยู่ดังนี้นะคะประมาณปลายเดือนพฤษภาคมค่ะเป็นฤดูเปลี่ยนจากร้อนเข้าฤดูฝนแบบเปลี่ยนมาได้เร็วจังเลยชีวิตของคนเราที่เป็นคนชนบททางภาคอีสานตัวจริงก็ต้องเปลี่ยนไปตามฤดูกาลเช่นกันเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณอินค่ะคุณอินบอกว่า เวลาหน้านาเนี่ยจะต้องตื่นเช้าเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าจะต้องรีบรีบรุดออกไปเร่งทำไร่ทำนากันไปคุณแม่ก็ส่งเสียงดังมาบอกอินวันนี้เอาฝุ่นขี้วัวไปใส่นาเด้อไปกับอ้ายมึงคุณอินก็ตอบไปบอกครับหลังทานข้าวเสร็จ ะะคุณอินกับพี่เขยเนี่ยก็ขนฝุ่นขี้วัวขี้ควายใส่รถไถนาที่ต่อพ่วงไปลงนาที่อยู่แถวๆหน้าวัดเอาไปลงกองไว้เป็นกองๆเลยละะ่ละค่ะตามพื้นนาเพื่อที่จะรอฝนตกมาใส่เนะะีค่ะเราก็ไถกลบหน้าดินให้ฝุ่นมันกระจายไปตามไร่นะคะที่นี้ประมาณสี่โมงเย็นค่ะก็มีลมพัดแรงเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นฟ้าก็เริ่มมืดลงมืดลงเสียงฟ้าร้องก็ตามมา คุณอินกับพี่เขยเนี่ยก็รีบวิ่งเข้าถียงนาน้อยหลบฝนทันใดนั่นเองอ่ะฝนที่ตกลงมาเนี่ยก็ตกลงมาแบบแรงมากตกมาจนมองไม่เห็นเลยละ่ะคือทั้งหมดขาวโพลนไปหมดมองไปเป็นสีควันบุรีเต็มไปหมดเลยฝนตกแรงมากประมาณสัก1ชั่วโมงฝนก็ค่อยๆซาลงแล้วก็เบาลงมองออกไปตามทุ่งนาเนี่ยน้ำเต็มไปหมดทีนี้ก็จะห้าโมงเย็นละ มีฝนตกเพ่าๆลงมาบ้างพี่เขยก็เลยชวนกลับบ้านและพี่เขยก็เลยบอกว่าเย็นนี้เนี่ยจะมาใต้กบใต้อึงกันนะคําว่าใต้ภาษาอีสานก็คือเป็นการไปส่องนะคะส่องไฟโดยใช้พวกไฟแบตเตอรี่ที่คาดหัวนี่แหละนะคะพอคุณอินกลับไปถึงบ้านพี่เขยก็จัดการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือออกจับกึงจับอึงจับกบกันพอพระอาทิตย์ตกดินค่ะเสียงอึงเสียงกบเนี่ยก็ดังเป็นระยะ ทานข้าวเสร็จพี่เขยก็ชวนบอกปก็ถือเอาถุงปุ๋ยถุงอะไรนี่แหละใส่แล้วพี่เขยก็เอาแห่ที่เก็บวานี่ออกไปด้วยนะคะถึงทุ่งนาน้ําเต็มไปหมดเต็มไปด้วยแสงไฟที่ทุกคนออกมาหากินจับอึง่งจับกบกันตามชนบทอีสานพี่เขยก็จับเอาจับเอาเดินไปจับไปสองคนเนี่ยพี่เขยกับน้องเมียเนี่ยนะคะก็แยกทางกันไป ไปที่ทุ่งนาของตัวเองนี่แหละก็เดินลัดเลาะลงไปที่ใต้คูสะใหญ่มองไปก็มีแสงไฟบ้างแต่ว่าห่างกันมากเวลาผ่านไปสัก5้าทุ่มอากาศเย็นขึ้นไอตัวของคุณอินเองก็มองหากบหาอึ่งตามเสียงร้องด้วยแสงไฟแบตเตอรี่ส่องไปตามเสียงของกบของอึง่งก็เลยถามพี่เขยบอกทำไมเรามาทางนี้ พี่เขยก็ตอบบอกเออมาหาปลาเพราะว่าแถวนี้ฝนตกใหม่ๆปลามันชอบบืนขึ้นลงระหว่างคูสระน้ำกับทุ่งนาแถวๆนี้ทำไมมันเงียบชอบกลยังไงก็ไม่รู้นึกในใจนี่แหละนะคะก็เลยมองไปทางไหนเนี่ยมันก็มืดสว่างบ้างเวลาฟ้าแลบแต่ว่าทันใดนั้นคุณผู้ฟังมีเสียงคล้ายๆกับปลาค่ะปลามันตีน้าขึ้นมาแบบแรงมากน่าจะตัวใหญ่พี่เขยก็ส่องไฟไปนะ จุดที่ที่มันมีปลาแบบตีน้ำเป็นเวิ้งใหญ่เลยไม่รอช้าค่ะพี่ เ, ยเขยก็ปลดแหด่วนพร้อมกับหวานลงไปในจุดด้านหน้าข้างๆกันพี่เขยเอามือคลาหาปลาสักพักหนึ่งก็ไม่มีก็เลยดึงแหดขึ้นก็หวานอยู่สองสามครั้งก็ไม่มีนะคะคุณอินก็งงนิดนึงคิดอยู่ในใจว่างงนะทุ่งนาเล็กๆน่าจะได้ปลานะแต่ทาไมมันไม่ได้ทันใดนั้นเองค่ะ ปลาที่มันตีน้าอยู่ตรงนี้มันก็ย้ายไปตีอยู่ที่ที่มันห่างกันไปพี่เขยก็ส่องไฟตามเสียงไปก็จับแหวหวานอีกครั้งตรงจุดพอดีคลําหาปลาอีกก็ยังไม่มีค่ะก็เลยได้แต่ยืนมองดูอยู่กับพี่เขยหันซ้ายหันขวาพร้อมกับแสงฟ้าแลบตาก็ไปสะดุดกับสิ่งหนึ่งประมาณ10กว่าเมตรนี่แหละคือมองเห็นเหมือนคนยืนมาทางพี่เขยกับทางคุณอินเป็นตัวคนดำๆค่ะมือกอดอก จ้องมองมาทางคุณอินกับพี่เขยคุณอินก็หันไปมองเต็มที่เหมือนกันนะเพื่อความแน่ใจว่าเอ๊ะใครใครมายืนดูเราอยู่เป็นคนที่มาจับกบจับอึ่งด้วยกันไหมทำไมไม่เปิดไฟสักพักฟ้าแลบมองไปอีกก็ไม่เห็นนะคะทีนี้เนี่ยมันรู้สึกว่าขนลุกค่ะขนลุกตั้งแต่แขนขึ้นไปจนหัวเลยตาลายหรือเปล่าวะหรือว่าตาฝาดหรือเปล่าวะก็นึกในใจ สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงปลามันตีอีกข้างหนึ่งพี่เขยก็เลยจับแห่ขึ้นเตรียมพร้อมรออีกทันใดนั้นค่ะปลามันก็ตีขึ้นมาอีกตรงหน้าพี่เขยเลยพี่เขยก็หว่านลงไปทันพอดีคลําหาปลากันยกใหญ่ยังไงก็ต้องได้แหละเพราะว่ามั่นใจมากว่าทอดแห่ลงไปเนี่ยโดนแน่นอนคุณอินก็จ้องมองพี่เขยคลาหาปลาอยู่แบบสายตาไม่ลดละไปไหนพอละสายตาขึ้นมาตรงคูคันนาตาเขาก็ไปสัมผัส เห็นคนนั่งยองๆบนตอไม้ค่ะกำลังมองลงไปตรงที่พี่เขยคลาหาปลาด้วยความที่มันมืดด้วยคือมองเห็นเฉพาะเวลาฟาแลบเพราะว่าคุณอินไม่ได้เอาไฟไปด้วยเนี่ยนะคะก็คือจะมีเฉพาะไฟของพี่เขยเท่านั้นก็เลยไม่แน่ใจก็เลยขยี้ตามองอีกทีหนึง่งเห็นว่าเขากาลังนั่งยองๆมองดูพี่เขยอยู่อย่างนั้นนะขนหัวลุกเวบเลยเหมือนครั้งแรกเลยนึกในใจอะไรวะท่านใดนั้นเองค่ะฟาแลบ สองสว่างวับมาเขาก็เลยมองไปอีกครั้งเพื่อความแน่ชัดปรากฏว่าไม่มีอะไรอยู่บนตอไม้แล้วน่าจะตาฝาดอีกแล้วเราก็เลยสงสัยว่าเออตาคงจะฝาดตาคงจะลายจริงๆนั่นแหละนะคะทีนี้พอเดินผ่านต้นไม้ใหญ่ระยะประมาณ 6-7 เมตรเขาก็ใช้หางตาเนี่ยมองไปก็เห็นว่ามีใครคนนึงยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มองมาทางคุณอินกับพี่เขยก็เลยรู้สึกขนลุกขนหัวลุก ขาที่ก้าวเดินไปก้าวตามอย่างเร็วเลยทีนี้ในใจก็คิดว่าตาเราคงจะฝาดแหละก็เลยตัดสินใจมองอีกครั้งตาเขามองกลับไปอีกครั้งหนึ่งก็เห็นยืนมองตามมาไม่ละสายตาค่ะทีนี้แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเพราะว่ามันเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ขณะที่ตากำลังจ้องมองอยู่นั้นแสงฟ้าแลบนะคะก็สว่างไปกระทบกับลาต้นไม้ ก็ไม่มีใครอีกแล้วคุณผู้ฟังทีนี้กึ่งเดินกึ่งวิ่งค่ะพี่เขยนี่เดินเร็วมากเลยแต่คุณอินก็ไม่ยอมทิ้งห่างนะก้าวตามติดๆดไม่ยอมไม่ห่างเลยเอาถุงอึ่งที่จับได้เนี่ยพาด ใ, ใส่บ่าทนะคะแล้วก็เดินตามหลังอย่างเร่งรีบไกลออกห่างจากต้นไม้ใหญ่ก็คิดในใจว่าจะหันกลับไปดูอีกทีซิว่าจะยังอยู่ที่ต้นไม้อีกไหมพอหันไปแบบเร็วค่ะฟ้าก็ผ่าเว็บคือฟ้าแลบเว็บขึ้นมา ใช้สายตาจ้องไปจุดเดียวกับต้นไม้ใหญ่ตรงลำต้นก็ไม่มีใครอีกเหมือนกันนะคะก็เลยใช้สายตามองขึ้นไปยังตรงกิ่งก้านที่มีใบเนี่ยมันมีลักษณะคือนิ่งนะคะไม่มีลักษณะอาการสั่นไหวเหมือนต้นที่เขามองเลยที่นี้เนี่ยก็เดินไปเรื่อยๆแหะค่ะก็ไม่เห็นมีใครเดินไปเรื่อยๆพี่เขยก็ก้าวเท้าเร็วมากน้องเมียก็พยายามตามให้ทันพี่เขยละ เพราะว่าคุณอินเองนึกในใจบอกว่ายังไงพี่เขยก็ต้องเจอเหมือนกันหรือเปล่าเอหรือว่าเราเจออยู่คนเดียวแต่ดูจากลักษณะท่าทางหรือว่าดูจากอาการเนี่ยพี่เขยก็น่าจะเจอเหมือนกันนะเพราะว่าพี่เขยรีบเดินเร็วมากเหมือนกับจะไม่รอเราเลยก็ว่าได้จนเข้าเขตใกล้บ้านค่ะก็ยังเป็นแบบนึกถึงภาพนั้นติดตาอยู่มาคิดทบทวนแล้วก็ขนหัวลุกทุกทีเลยนะคะพอถึงบ้านก็เลยถามพี่เขยบอกเห็นอะไรไหม พี่เขยตอบเห็นอะไรแล้วก็ยิ้มนิดนึงแล้วก็เดินไปอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยก็เข้านอนค่ะพอตื่นเช้ามาเห็นพี่เขยคุยกับตาจันบอกว่าเมื่อคืนถูกผีหลอกคุณอินก็เลยเดินมาฟังบ้างที่ว่าปลามันบ้อนปลาบ้อนนี่คือปลาอาหางตีน้ําเป็นลักษณะของว่าตรงนี้เนี่ยมันมีน้ำนะอะไรประมาณอ่ะมันมีปลานะประมาณนี้นะคะแล้วก็ทอดแหลงไปไม่ได้ปลาเลยก็เลยคุณอินก็เลยพูดไปแถมด้วยนะคะบอกว่า ตอนที่ Pi ่ไอพหรือพี่เขยเนี่ยกําลังคลาหาปลาอยู่นั้นเนี่ยเห็นคนนั่งอยู่บนตอไม้มองดูพี่เขยอยู่พอฟ้าแลบปุ realms, anyon, ๊บก็ลองมองไม่เห็นตัวของของคนที่นั่งยองๆมองดูพี่เขยเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยพอฟ้าแลบอีกทีหนึ่งเห็นไปยืนอีกจุดหนึ่งพอตั้งใจมองดูจริงๆก็ไม่เห็นแล้วตอนกลับเดินผ่านต้นไม้ใหญ่นี่เห็นคนยืนอยู่ต้นไม้พอมองกลับไปตอนที่เราเดินกลับบ้านเนี่ยมันก็ไม่เห็นแล้ว ตาจันก็เลยบอกนะฮะว่าแถวนั้นเนี่ยมีคนเคยเจอเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นดอนปู่ตาเป็นผีเจ้าที่ผีไร่ผีนาประมาณนี้ไปจับกบจับอึ่งไปหวานแหก็ลองให้ขอเขาดูตาจันพูดสงสัยแกมานั่งเฝ้าไร่เฝ้านาแกก็คงอยากจะถามว่าสู้มาเหตุอีหยังกันซู้คือบกขอกูประมาณนี้นะคะก็ประมาณว่าพวกมึงมาทําอะไรกันทําไมไม่ขอกูหน่อย ตาจันพูดจบแล้วก็หัวเราะเลยทีเดียวค่ะก็ประมาณนี้แหละนะคะโบราณถึงกล่าวไว้บอกว่าไปหาอยู่หากินที่ไหนก็แล้วแต่ให้ขอเจ้าที่เจ้าทางเพื่อนด้วยก็จะได้แบบพออยู่พอกินนะคะเรื่องราวเจอผีค่ะตอนคืนไปจับกบจับอื่นกับพี่เขยเนี่ยเป็นเรื่องของคุณอินนะคะก็เป็นวิถีชีวิตของคนอีสานนะคะอาจจะมีภาคอื่นด้วยแหละ นะคะที่ใช้ชีวิตประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นคนภาอีสานเนี่ยถ้าได้ฟังเรื่องนี้เนี่ยก็น่าจะซึมซับวิถีชีวิตแล้วก็ซึมซับบรรยากาศได้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่าบีเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆท่านที่เป็นคนอีสานนี่แหละนะคะเวลาฝนตกฟ้าร้องหน้าทาไร่ทํานา ตอนกลางคืนก็ต้องไปหาใส่เบ็ดไปหาจับกบจับปลาก็จะต้องเข้าใจในบรรยากาศแบบนั้นได้เป็นอย่างดีเลยละค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องที่บีนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช n n น l พระเจอผีอย่างไรแล้วบีเองก็ต้องขอฝากให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยกดไลค์กดแชร์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กดติดตามชาแนลพระเจอผีด้วยที่สาคัญอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือน เวลาที่บีเองก็อัปเดตคลิปใหม่ๆมาให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ